เดินเนี่ยเดินด้วยความรู้สึกตัวที่ไหนตรงนั้นเป็นการเดินจงกรมเดินจงกรมของคนที่ที่เข้าใจผิดก็คือต้องเดินท่านี้เท่านั้นและตรงนี้ด้วยเนี่ยนะเช่นบ้านเราเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นทางจงกรมแล้วนะถ้าเดินที่อื่นแล้วชั้นก็เผลอไปแล้วก็ไม่ใส่ใจชั้นจะเดินจงกรมแล้วต้องรีบมาเข้าช่องนี้ให้ได้ <c oughs> ลำบากมากเลย เดินมีกายเคลื่อนไหวรู้ทันกายเคลื่อนไหวด้วยความรู้ตัวที่ไหนตอนนั้นกําลังเดินจงกรมอยู่กําลังนั่งอยู่แล้วเคลื่อนไปตอนนี้ก็กําลังจเจริญสติในการรู้การเคลื่อนไหวของมือมีกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ทันตอนนี้เรากำลังดูจิตคือรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตดูกายบ้างดูจิตบ้างไม่ต้องไม่ต้องว่าจะต้องนั่งสมาธิตรงนี้จึงจะมาจะเจริญสติเพราะว่าสติเนี่ยทำได้ทุกที่ แม้แต่ในะห้องน้ำห้องส้วมทาได้ไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วฉ่านมาเจริญกรรมฐานใะนห้องน้ำพระพุทธเจ้าจะว่าอะไรหรือเปล่าเนาะไม่ว่าไม่ว่าเลยเนีย่ยทำไปเลยทำได้ทุกที่แม้แต่ตกส้วมพระสมัยก่อนถ้าตกส้วมนะ <c oughs> เป็นส่วนฐานอนะส้วมหลุมเคยใช้ไหมยุคนี้คงไม่มีแล้วนะเป็นกระดานผ้าตานะแล้วตอนเช้าเช้าเนี่ยพระจะมี วินัยอยู่ข้อหนึ่งว่าต้องคลองผ้าไปครบ3ามผืนตอนโดยเฉพาะตอนที่อรุณหมายถึงว่าแสงตะวันของวันใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องมีผ้าครบสามผืนอยู่กับตัวแล้วถ้าคลองอยู่กับกุฏิก็ง่ายคลองอยู่กับศาลาก็ง่ายวันนั้นปวดปวดอุดจจาระต้องการจะถ่ายอุจจาระ ก, ก็ต้องออกไปทั้งสามผืนนี่หอบ3ามผืนเนี่ยนะ มันไม่ใช่ผ้าแบบผ้าเจีนหน้าใช่ไหม <c oughs> ผ้าจีวรผ้าสังกติจัดสบองนุ่งอยู่แล้วไม่ต้องหอบนะ <c oughs> พอไปมันความพลุงพลังนะสังกติตกทําไงอะ่ะก็ต้องลงไปเก็บลงไปเก็บในบ่อส้มนะั่นแหละลงไปในบ่อส้มน่ะใจหิ่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่อาตมาเป็นนะพระอาจารย์องค์นั้นที่ที่ท่าน มีประสบการณ์เลยทนะ่าเล่าใจมันยีขึ้นมาด้วยการที่ฝึกมีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันขยะกขแยงขึ้นมานะรู้ทันความขยะกขแยงใ น, ในใจที่เกิดขึ้นเห็นความขยะกขแยงดับด้วยทักษะที่ทําเองแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยมันหยีใจอยู่แค่ว่าจะเอาอยัางไงเอาสังคติขึ้นมาให้ได้เท่านั้นเองแล้วก็ไปซักแล้วก็ทําความสะอาดตากพอเห็น ว่ามันเกิดดับอย่างนี้ใจก็รู้ธรรมะขึ้นมาเลยเข้าใจธรรมะขึ้นมาเข้าใจถึงขั้นสุดท้ายโดยธะซ้าไปเป็นเป็นพระอรหันต์เลยพอเช้าก็ต้องไปบินธบาตพระเพื่อนกันก็ชวนไปบินธบาตไปไปพระองค์ที่เก็บสังขติมาสักเนี่ยเขาบอกว่าท่านไปเถอะผมไม่ไปละผมหมดธุระละ พูดอย่างงี้นะนี่ก็ไปฟ้องสิโอในองค์นี้อวดอุตริครูบาอาจารย์ต้องมารับรองนี่เขาจบแล้วนั้นจบเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะไม่เลือกที่นะไม่เลือกที่แม้แต่ในหลุมส้วมหลุมส้วมเนี่ยก็ดูได้อเพียงแต่ไม่ได้ดูแต่ผ้าไม่ได้ดูที่มันกองอยู่ที่ส้วมมันดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี่นะต้องหัดย้อนมาดูบ่อย แต่เราคงไม่มีโอกาสอย่างนั้นหรอกของเราเป็นส้วมซึมใช่ไหม